เรื่องศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานานั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว ความหนวยพรสริริสวัสดิ์พิปัฒนมงคลความสงบเยือกเยน็นแห่งจิตใจและความพากสุขุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายร่วมพระสัทนาะทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้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 ในี้วิญญาณมันร่อนเร่พเนจรวิญญาณมันดิ้นรนร่าร้อนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเกิดความทุกข์ตึงเครียดตรึงเครียดกันอยู่ตลอดไม่ว่าในสังคมไหนมุมใดของโลกยิงบ้านไหนเมืองไหนเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีกําลังที่จะเจริญแข่งกับเทวดาในสวรรค์ กำลังจะสร้างวิมวานในอากาศกำลังจะแข่งความสุขกับเทวดาในสวรรค์นั่นแหละดูให้ดีๆเธอมันกำลังจะทุกข์แข่งกับสัตว์ในนรกอยู่ในตัวของมันเองด้วยถ้าไม่มีศิละปะในการพักครอทางวิญญาณไอ้พู้คำนี้ออกมาท่านทั้งหลายอาจจะงวยงงสงสัยละเอะน อ, อะไรมาพูด ในนี้มนุษย์กำลังเป็นโรคประสาทมากกำลังผูคอตายกินยาตายมากเกิดความตึงเครียดมากเกิว่า high sensitive มันทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกรุนแรงสุดวีง่งที่ไปสู่ความเป็นสกวิสัยมากขึ้น <c oughs> เป็น subject มากขึ้นมองอะไรต่ออะไรมันเป็นตัวเป็นตน้นเป็นความยึดมั่นทือมั่น มากขึ้นในที่สุดสิ่งทั้งหลายที่หลงกันไปแบกไปยึดไปเชิดทูลไปบูชามันไม่ได้ดังอกดังใจเขาเกิดอาการซึมเศร้าเงาง้อยเกิดความเซ็งเบือ่อชีวิตเบื่อภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งทั้งที่มีเงินมีทองมากมายนั่งอยู่ในห้องแอร์ติดปรับอากาศเย็นช่ำนั้นแหละ แต่ภายในใจมันเร่าร้อนเหมือนกำนอนอยู่กองไฟกอดกองไฟนรกติดนรกตกนรกติดเอนรกยุกไฮเท็กเรียกว่านรกติดแอที่นี่เราจะทำอย่างไรหาวิธีการอย่างไรที่จะเป็นยูอย่างรู้จัก มีอาการพักผ่อนทางจิตใจทางวิญ ญ, ญาณที่มันดิ้นรนเร่า ร, ร้อนกระวนกระวายกันอยู่เดี๋ยวนี้เนี้เศรษฐีก็เร่าร้อนดิ้นรนแบบวิญญาณของเศรษฐีคนจนก็เร่าร้อนกระวนกระวายแบบคนจนนระตกนระกด้วยกันทั้งคนรวยทั้งคนจนข้าไม่รู้จักศิลปะ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 คำว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้เพิ่งเข้าใจหมายถึงวิญญาณที่ตายแล้วล่องลอยไปเกิดตรงโน้นไปนั่นลกไปส่อวันไปไหนก็ตามใจเถิดวิญญาณชนิดนั้นก็ฝากไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลเึงนขนาด น, นั้นวิญญาณชนิดนั้นที่ ท, ท, ที่ภาษาฝลังเรียกว่าโซนโซนโซนแต่เรากำลังพูดถึงวิญญาณที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือความรู้สึก นึกคิดสิ่งที่รับรู้เข้ามาสู่จิตใจสู่วิญญาณเน็ตนาธาธรรมชาติแห่งความรู้ น, นี้จะภาษาฝรั่งก็เลยว่า consist consist น, นี่นะไม่รู้จะพูภาษาอะไรเดี๋ยวนี้มันยัไม่เข้าใจกันแต่ผู้ภาษาไทยภาษาลาวอยู่ก็เข้าใกว่าวิญญาณคือตายแล้วนั่นแหละล่ลองลอยไปเวลาพระทันสวด ส่วนยอดโมกในภาคอีสานภาษาบารีวปัจยะวิพังขวาโรคการยกเรื่องราวที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยออกมาแจกมาแจงกันให้รละเอียดจะคุยญญนาทาตุยตังสัมปยุตตกา นานจาธรรมนังอนันตา r a ปัจเจียนปัจจยสุตาวิญญาณไม่รู้อะไรฟังสวดแล้วนคนลุกคนพองเหมือนจะวิญญาณล่องลอยไปยมีใครมากระชากลากจูงไปยานสัมกลัวสำ้ำ <c oughs>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 จบมาวันที่ยี่สนะิบเก้ามีนาที่ผ่านมากลางคืนก็ตีด่วนไปแสดงธรรมอีกที่จังหวัดสุรินที่วัดโคกบัวรายชื่อไพ่รอบมากเป็นภาษาพื้นบ้านของขมเมรของสวยอย่างไรไม่ทราบละแต่ชื่อมันดีโคกบัวรายเป็นวัดอยู่อยู่ชานเมืองและอยู่ที่สูง อาจมาไปถึงว่านั้นก็นึกแปลความหมายอยู่ในใจว่าบัวร้ายบัวร้ายเนี่ยมันรอ้อเรือสละอายอยักษ์มันไม่ใช่ลอลิงสละอายอยักษ์ถ้าบัวลายอย่างนั้นก็พอจะมองออกเป็นภาษาไทยเป็นความหมายทางไทยทางลาว่าบัวที่มันมีใบหลลายมีดอกหลลายอะไรทํางนองนั้นแต่นี่มันบัวร้ายรอเรือสละอายยักษ์ บุรายตอนนี้ถ้าออกเสียงเป็นภาษาสวยว่าบุรายบุรายนั้นแปลว่าคอยยังชั่วแต่เป็นภาษาลาวว่าบุรายจากภาษาสวยเป็นภาษาลาวว่าไข่เนโคบุรายก็คือโคกไข่เนแมหชอบใจจังเข้าใจตั้งชื่อถ้าจะตีความหมายภาษาสวยก็โอ้ยไข่เนขึ้นมาถึงวัดมันเป็นโนน้งสูงมันเป็นโคก อาจจะเป็นได้ว่ามันเร่ามันร้อนภายนอกพอเดินขึ้นมาถึงโคกตรงนี้มันมีต้นไม้ร่มรื่นกันเลยโอ้ยไข่แนยเฮ่อหอนกับไข่แดงกันมาหอนนี่เดินมาเหนื่อยๆเข้ามาถึงตรงนี้ไข่เนยไข่ยังชั่วค่อยยังชั่วนตรงนี้โคกค่อยยังชั่วแ ต, ต่ี่ถ้าจะปีความหมายเป็นภาษ า, ขามเขมรบรายบรายบรายนี่แปลว่าน้ํารอบ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆภูภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของมันมันมีน้ําล้อมรอบมันเป็นโนนโนโ น, โนเป็นเนินขึ้นไปเรียกว่าโคกบัวร่ายก็แปลว่าเนินน้ําอ้อมอะไรทานองนั้นนะเป็นภาษ า, ษาคำเมนศินมปะก็ยังมีความหมายอีกว่าบร่ายนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งสําหรับเคี้ยวแทนภูได้รัฐบาลสมัยก่อนสั่งให้ตัดเครือภูไม่ต้องการให้ภูเทาเคี้ยวหมากเคี้ยวดำดำ เสยยี่ห่ออายคนต่างชาติก็เลยสั่งตัดเครือผูหมอดผูเท่าเมืองศุรินสมัยนั้นคงไม่มีที่เคี้ยวก็เลยมาเอาต้นบรายเนี่ยเคี้ยวแทนภูได้เป็นเครือเหมือนกับผูเอาไปกันใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานีวัดศรีอุบลวัดศรีทองรัตนารามไป แ, แสดงธรรมวันนั้นประชาชนเยอะเต็มโลนศาลา จบจากนั้นไม่มีโอกาสได้ไ ด, ไ, ด ไ, ดได้นอนพักผ่อนเมืองอุบลก็ต้องไปด่วนไปสแสดงธรรมที่จังหวัดสุรินทร์จำเปรียรตันริยะธาตุมนู่นพี่น้องชาวสุรินทข้าไปในตลาดพูภาษาคัาเมเนกันเอ็มไปหมดเลยไปถึงประมาณสี่ทุ่มเห็นก็เล่นกันตรุ่มกันอยู่ในเมืองรถผ่านเข้า ไ, ไปก็ไปถามคนแถวนั้น ก็อุตสาบบอกอย่างดีเลยมีแต่คมเมน่นะผู้ภาษาคอมเมนตไปตรงนั้นตรงนั้นบอกอืมดีมากๆเลยออนนุโมทนาในคืนวันที่ยี่สบเก้านอนตรงนั้นสามสิบแสดงทาสองรอบที่จังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดสระบุรีอำเภอท่าลานวัดมหาโลกยิ่งใหญ่มากเลย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 มาจากบนยอดเขาสียงสนั่นวันไว้เสียงนกภัยส่งเสียงร่ำร้องเริงล่าฟังแล้วรู้สึกหวาบเหมือนเราย้อนกลับคืนสมัยพระพุทธเจ้านึกถึงกรรกรคนโบราณอีสานเหม่งไงด่วดงเมืดเผาเขียวข่ำหลวงไหลลนเต็มโตนทางสัวสัวสันสกุหนาในเทือน แ, แท่วแท่๊ะทวงทัวเถเราล่าง โคปูดห้องอางเราดอนเรลาฝุ่นเยือกาเวาขันหงนั่นกงหวยดงลวงโอ้ไพ่สนแนสงซัมมีดอกไม้บานหอมเพืินหอมเสียงชะนีร่ำร้องมานึกถึงคำพูดคนโบ ร, ราณฟังเสียงนุ่งซูลโถเสียงกลมกล่องเถือนสนีหุยห่องเสียงโป่งปาวผาแม้มันเข้า บรรยากาศที่ท้าวฟางคำเขียนไว้ในหนังสือเล่งสังชิสินชัยไม่อยากจะกลับจากเขาใหญ่เลยไปถึงตอนเช้าสนามกบรางที่เขาฝั่งหรือถอนอาปาดมานั่งลงแพ็ปเดียวเท่านั้นเห็นเก่งเห็นฟานสี่ห้าตัวเดินต้องแก่งดองแย่งออกมาและเล็มยาเดินเข้าไปดูหมู่ฟานเห็นนกเขากินโป่งเสียง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 นอนตักห้าหกคืนตอนเช้า เ, เห็นช้างผ่านทางช้างป่าเห็นมันขี่ไปใหม่อี่ตอนคขากลับที่ว่าเรามีธุระด่วนจะต้องไปแสดงทำที่สระบุรีนี่เดินทางกลับมารถวิ่งมามองไปสองข้างทางป่าเลาที่ไฟไหม้มันเห็นสัตว์ตัวหนึ่งนอนตัวใหญ่ใหญ่สีเทาๆ ม, มุมมุ ม, มเอ๊ะนั่นอะไร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 คนถึงส0มสิบกว่าจังหวัดไปปฏจจิบัติธรรมแน่นไปหมดเลยเป็นพันๆวันนั้นแสดงธรรมอยู่สองชั่วโมงจะเข้าออกรุงเทพเมื่อหมดเวลาแสดงธรรมเป็นห่วงญาตโยมกลัวจันเนดเน็นอะไรก็ปรากฏว่ามีเสียงร่ำร้องให้ต่อขอให้ต่ออีกสามสิบนาทีอาบานเมืองก็เป็นประชาธิปไตยกันแล้วเสียงส่วนมากเขาป่าธนากะ แสดงทรรต่ออีกสามสิบนาทีเป็นสองชั่วโมงครึ่งเก็บสิ่งเก็บของจะขึ้นรถเดินทางเข้ากรุงเทพเพราะว่าจะต้องมาแสดงธรรม ท, ที่กรุงเทพอีกทีหนึง่งเครื่องรถก็ติดแล้วจะขึ้นรถกันอยู่เรามารอแล้วปรากฏว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคูบาอาจารย์ตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายก็เข้ามาขอร้องอ้อนวอน บอกว่าอย่าพึงกลับเลยขอให้แสดงธรรมโปรดเอกสักกันหนึ่งพรุ่งนี้เช้ารอบดึกอนึกถึงคำสอนของพระสาวกดาบอกว่าภิกษุใดมันแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ไฝ่ธรรมนำาู้หุชนเหล่านั้นประดิษฐานมั่นในอริยญายธรรมสมมาทิทิฐิสตาสิจากะปัญญาถอนบุคคลมหาชนเหล่านั้นออกจากอาสธรรมมิจฉาทิฐิเสียได้ เราก่าวว่าไม่มีการบำเพ็ญประโยชน์อันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าการกระทำเช่นนั้นพิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูกแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกู้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงไปประกาศสัจธรรมพรมจันวิธีทางแการดำเนินชีวิตอันปลาเสร ให้แกเขาละชั่วในเบื้องต้นกต่ทำความดีในท่ากลางบริบูรณ์สูงสุดด้วยจิตใจอิสระประกอบด้วยความบริสุทธิ์และปัญญาหลุดพ้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแกเขางดงามในเบื้องต้นทำากลางที่สุดอย่างนี้นึกถึงอันนี้แล้วก็เลยจำเป็นต้องอยู่ต่ออีกเช้ามาตีสี่คึ่ง ไปหาหกโมงเลยแสดงธรรมบอกว่ามีเวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งถึงสว่างกอกำลังแสดงธรรมไปเรื่อยๆถึงสว่างเวลาจะหมดโยมก็เขียนหนังสือยื่นขึ้นมาขอขอนิ ม, มนต่ออีกสามสิบนาทีก็เลยได้เทปต่อเข้ไปอีกแสดงว่าวันนั้นแสดงธรรมที่สระบุรีมหาชนทั้งหลายฟังกันเต็มรู้สึกสั่งจองเทปทางวัดมหาโลก ผลิตให้มากกว่าพันมวลนละวันนั้นหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปทีกรุงเทพไปแสดงธรรมที่วัดเพลงวิปัสนาทีนี้ก็มีคิวต่อไปที่จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลจากจังหวัดตากแล้วก็จะมีคิวต่อไปที่อำเภอเชียงแสนพระทาตุผาเงาจังหวัดเชียงยนม่นุ่นภาคเหนือ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 รถไปส่งที่ตลาดหมอชิดที่บขอสขัารถทัวร์เตียมเข้าแถวซื้อตั๋วรถจะไปจังหวัดตากไปเขื่อนภูมิพลตั้งแต่ปีสี่ยันเจ็ดโมงเช่ายังซื้อไม่ได้ผู้คนเข้าแถวนาะแน่นไปหมดไปสอบถามเขาบอกว่าเข้าแถวซื้อตั๋วนี่ไม่ช่เดินทางวันนี้นูน่น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 ให้นี่ก็จะเป็นลมก็เลยนึกเกิดมาได้ว่ามันสดวิสัยที่เราจะไปได้เราก็จากวัดมานานแล้วเป็นห่วงวัดวาอารามพระสองฆอง์เจ้าที่วัดถ้าอย่างนั้นกลับดีกว่าไปซื้อตัวรถกลับพังโคนแม้มันลําบากเลยเกิด น, นี่ก็ทุรักทุกเลนแน่นกันเอียดตกลงได้เดินทางกลับบา้านก็คิดว่ายัางไงยังไงโยมก็คงจะสรุปเอาว่าพระโกหก ท่านสมภพโกหกซะแล้วท่านคงไม่มาลองให้พวกเรามาคอยเกอ้อจังหวัดตากก็คงจะคอนครูชันลงอย่างนี้สรุปลงอย่างนี้ว่าพระโกหกเชียงแสนเชียงรายก็คงจะสรุปอย่างเดียวกันว่าพระโกหกไม่มาเราก็จนปัญญาที่จะแก้ตัวจนปัญญาที่จะไปเพราะรถมันแน่นที่สุดเลยจะกลับมาบ้างก็เกือบจะมาไม่ได้แน่น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 มาต่างๆว่าอย่างนี้เขาหยุดเพื่อพักผ่อนและเขาจะได้พักผ่อนกันจริงหรือไม่ดูแล้วมันยิ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงเพียงแต่การไปยืนรอที่จะซื้อตั๋วรถนี่ยมันก็หนักหน่วงยิ่งกว่าการทํางานธรรมดาคิดดูเดียยืนรอเข้าคิวซื้อตัวรถยนตนี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างซื้อไม่ได้ผู้คนก็แออัดยัดเยียดไปรู้กี่แสนกี่หมื่นคน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 คืองานที่หนักหน่วงที่สุดภาระที่หนักหน่วงที่สุดของชีวิตเร่า <c> อ <oughs> e ็กซ์ตาเซนเซภาระที่หนักหน่วงเนื้อธรรมดาของชีวิต วิญญาณทํางานหนักที่สุดกับขุวิญญาณโตตวิญญาณขานะวิญญาณกายวิญญาณเจ้าห้าวิญญาณมนโนวิญญาณตาหูจมูกลิน้นกายใจทำงานหนักหน่วงที่สุดไมได่พักผ่อนแล้วจะถือว่าไปพักผ่อนได้อย่างไรทําไมจึงจึงจึงจึงจะต้องไปพักผ่อนอย่างนี้พักผ่อนอย่างนี้เพื่ออะไรอารามามองไม่เห็นการพักผ่อนของเขาเลย ที่หันมาดูทางพระพุทธศาสนากับความเข้าใจของชาวโลกมันไปกันคนละทิศคนละทางชาวโลกเขาตื่นมาออกกําลังกายวิ่งย็อกแยกแย ก, ย ก, ยกแต่ทางพุทธศาสนาซอนให้ออกทั้งกําลังกายกําลังจิตโดยไม่ต้องสูญเสียพลังงานส่วนเฟริร์ส่วนเกินไปวิ่งยกอกแยกแย ก, ยกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตัวตรงๆร ง, รงหายใจเข้ายาวยาวเต็มปอดเต็มพุงอัดไว้แน่น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 หัวใจปอดตไตไส้ทงสุขภาพกายสุขภาพจิตฟิสกอนเทลหรือจะเป็นเมนเทนเฮวเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตมันได้ทั้งนั้นเพียงแต่นั่งจยเดินสมาธิภาวนาให้มันถูกสเปกที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ต้องไปวิ่งันดอแ ก, กแย ก, กหมดพลังงานส่วนเฟริรส่วนเกินฮือไหลไทยหยวดวิ่งเพื่อจะให้มัน หอบแผกแหกให้เหือไหลอยากให้เหือไหลก็นั่งหายใ จ, จ ย, ายาวอัดไว้ปล่อยออกยาวสูดเข้ามายาวอัดมันไว้แล้วดันมันเข้าไปให้มันเกิดเพลซอร์เข้าไปทั่วขี้คานได้เหือจะไหลใครจะจดทีนี้ปล่อยธรรมดามันก็จะหอบแผกแหกแมีสติดูรู้มันอยู่รุกลบหายใจอีกมนก็คลามมิ่งคลามมิงสงบสงบสงบสง บ, สงบ ลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดลมจนไม่ต้องหายใจยินเต้นใจเย็นในเนื้อในตัวในจิตในใจโอ้สุขภาพกายก็สมบูรณ์สุขภาพจิตก็บริสุทธิ์อิสระยำไส้เบิกบานประกอบปด้วยปัญญาไม่ได้เราไปวิ่ง้วก็แกกอะไรเลยนี่ถ้าอย่างนี่ทำได้เมื่อก็สบายพระพุทธเจ้าทั้งกาา บุคคลผู้ทำอย่างนี้เป็นการเจริญทั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาสุขภาพทางกายเนวเมกิระมะติตายไม่ลำบากเลยเนวะเมกายโยกิระมะตินัจโคนิยนุ ป, ปาทายะจะเมอาสเวหิจตังวิมุตจยาติกายก็ไม่ลำบากไปวิ่งโยกแย ก, ย ก, ยก อะไรมากตาก็ไม่ลำบากหลับตาทำก็ได้ลืมตาทาก็ได้จิตใจก็ลุดพ้นจากความยึดมัน่นถือมัน่นความเคยชินอันจะ ก, ก่อให้เกิดความทุกข์ที่เรียกว่าอาสวะปิดกั้นไม่ให้มันไหลเข้ามาของใหม่ผลักดันของเก่าหำมันไหลออกไปอาสวหิจิตตังวิมุตติ จิตก็ลุดพ้นอย่างอาสะวะความเคยสิ้นชินอันจะ ก, ก่อให้เกิดทุกข์โอ้ยยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นพวงอย่าว่าสองตัวเลยเอากี่ตัวก็ได้แต่มนุษย์ก็ไม่รู้จักมนุษย์จังหลายไม่รู้จักเข้าใจว่าศาสตร์ปัาเป็นเรื่องคล้ลลาสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพอจะพักพ่อทีก็เสียเงินเสียทองเสียเว ล, เวลา ไปซื้อมาดูไปซื้อมาดมไปซื้อมาฟังไปซื้อมากินมาดืม่มไปซื้อมาสัมผัสหลังจากนั้นก็ปุงฟุ้งแต่งเป็นาธาตุของอายตนะเป็นาธาตุของตาของหูของจมกูกของลิ้นของกายของใจอาดมาท้าได้เลยว่ามนุษย์ที่ไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้จักการพักผ่อนจะขี่เคือบินไปเที่ยวเมืองสวรรค์มันก็ไม่ได้พักผ่อนดอ ตาจะทํางานหนักกว่าเก่าหูจะทํางานหนักกว่าเกาจะโมกจะทํางานหนักกว่าเก่าลิ้นจะทํางานหนักกว่าเก่ากายทํางานหนักกว่าเก่าสุดท้ายมาลงที่จิตไม้ออเจกต์อารมณ์แห่งจิตก็จะปฟงจะพุ่งจะแต่งเลื่อนไหลไปกับอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจะโมกลิ้นกายใจไอ้ส่มาเป็นปเรื่องหนักน่วงเกิดเป็น เบ r d e เด f ออฟไลเป็นภาระหนักน่วงของชีวิตชนิดที่ไม่รู้จักพักผ่อนแม้จะถือว่าจเจริญรุ่งเรือ ง, ง, งแค่ไหนก็าตามมนุษย์ทุกวันที่แม้จะมีเงินมีทอง ม, มีความสะดวกสบายอย่างไรก็าตามเขามีแต่ความทุกข์เพราะความไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองเพราะนั้นจะทำไปเล่นไปนะ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 ทีนี้เมื่อเกิดรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยปะละวางวางลงปงได้เสียไม่ยึดมั่นเธอมั่นทางวิญญาณตวิญญาณทางตาจะขุ่วิญญาณได้เห็นรูปอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่ว่าเห็นปล่อยลงไปวิญญาณรับรู้วิญญาณนั่งรับรู้อย่างนี้วิญญา นะมัตตังเพียงแต่สักว่ารู้อย่นี้ก็สักว่ารู้งูได้ยินก็สักว่าได้ยินแล้วก็ปล่อยไปไม่อะไรอาวรณ์ยินดียินร้ายน่ารักน่าชังจมูกได้กินก็รู้สักแต่ว่ากินว่ามันเหม็นมั น, ม น, มนหอมก็พอไม่ต้องเลยไปถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยา ก, ยากเป็นปล่อยวางปล่อยวาง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 คือโดดเดียวจากความยึดมั่นถือมัน่นเดียวนะวิเวกวิเวกแต่ว่าโดดเดียว seclusion ภาษาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย seclusionform attachment อย่างนี้ attachment seclusion รู้จักโดดเดียวจากความยึดมั่นถือมัน่นถ้าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ hmm ได้รับการพักพร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 ผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเมื่อจะจัดการกับชีวิตของตนจะต้องสนใจแล้วก็หาทางทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดียวนี่มีความสุขให้ได้กาพรพยายามหาความสุขยังจะมีทางสำเร็จคือถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่สุขจะไปสุขเอาปีหน้าชาติหน้ามันไกลามากเลยทำยังไงนี่แหละเป็นศิลปะศิลปะถ้าสามารถทาให้ความสุขเกิดขึ้นได้ในขณะนี้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 ดึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นทําให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางทําให้ความกวนกวายนั้นสงบระงับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติว่ามีความสุขและทําให้ความกระวนกวายนั้นหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระงับปกอเกิดความทุกข์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 ได้คือความอยากที่รอคอยมาห้าปีแล้งับไปเพียงห้านาทีหกนาทีอีกเราก็เริ่มมองหาความอยากใหม่เนี่ยมันเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งท่องยิ่งกระวนกระวายความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เริ่มอยากทีเดียวพอเริ่มอยากนั่นก็เริ่มทุกข์เพราะว่าพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกระวายโดยในนี้จึงพูดได้อีกจานวนหนึ่งว่า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 แต่ยังไม่ได้สนองระงับที่นี้ความอยากจะยาวนานหรือยาวนานมากก็าตามส่วนเวลาที่ได้รับสนองระงับมักจะสั้นนิดเดียวรอคอยดิ้นรนยื้อยังแสวงหามาห้าปีได้แล้วเสดสเว่ห้านาทีสุบไกเป็นยิ่งนักเพียงห้านาทีที่นี้ก็มาเริ่มอยากอีกมันเลยมีเพียงแค่นี้การที่ว่าจะไปพักผ่อนนู่นพักผ่อนนี่ยใช้เวลาอยากมาเป็นปีปี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 แทนเคืองพร้อมดังความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆเกิดจากความโกรธเกลียดนั่นคู่กับคู่กันมาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจความทุกข์ใจก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยขึ้นมาอีกเหมือนกันหมายถึงอยากด้วยปัญหานะไม่จะอยากด้วยฉันทะขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่นี่ต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งที่ที่ที่อยากเนี่ยเมื่อได้มาแล้วกว็เสพสเวย่ยมีความสุข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 เรีว่าเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่มีชีวิตอยู่จริงๆในเวลานั้นขณะนั้นนั่นมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอยู่อย่างมีสติมีจิตใจรับรู้เต็มตื่นอยู่กับสภาพที่กําลังเป็นอยู่ประสบอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทําให้มันเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้น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 เพราะชีวิตของเขาอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างแต่เรานี่มีชีวิตอยู่ในความเป็นปัจจุบันเมื่อมีชีวิตอยู่เต็มที่ในขณะนั้นนั้นก็ไม่มีความขาดแคลนไม่มีความบกพร่องไม่มีความขาดแหว่งไม่มีความเครียดกระพกาะวายเกิดจากความอยากเหนียวยากดึงไม่มีความความอยากเอาไปดึงเราให้ไปสู่อดีตสู่อนาคตเป็นเหมือนอย่างที่ถวกยืดออกไป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 พระพุทธเจ้าว่าทิเทสุเตมุเตวิญญาเตได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งอวิจริเตได้แปลงหาได้พิจารณาด้วยใจนอัอปทายิศสามิไม่ยึดมั่นสิ่งใดนะจะเมตั น, นิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบเองอาศัยความรู้สึกนึกคิดไม่ไปแอบเิงอาศัยอยู่ในอดีตในอนาคตในรูเปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณ มันจะมีความทุกข์ใดไหมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอยู่อย่างไม่แอบอิงอาศัยไม่มีความทุกข์ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานมีความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความไร้ทุกข์มีความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วเมื่อต้องการเสวยความสุขอย่างใดอย่างใดที่อยู่ในวิสัยของตนก็เสวยความสุขนั้นนั้นอยากได้รับความสุขเต็มที่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 ไม่เป็นแ e ่งให้ความทุกข์ค้างอยู่ในใจน่าจะแปลกันอย่างนี้แหละแต่เราก็แปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ <c oughs> ความจริงมันน่าจะลึกไปกว่า น, นั้นหมายกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจนไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งความทุกข์นิโรธไม่มีที่กั้นไม่มีที่เก็บทุกข์เอาไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้มันไหลหนีหมดถ้าอย่างนี้ เราก็เรียกว่ามีศิลปะในการดําเนินชีวิตอย่างประกอบไปด้วยสติปัญญามีศิลปะในการพักผ่อนอยู่ตลอดกาลคอยนอัย่งคอยท่านหลายทําความเข้าใจให้ดีๆว่าทําอย่างไรจะได้พักผ่อนมีสติอยู่ทุกขณะที่ตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงแก่ห ม, มกได้กลิ่นลิ้นได้ลดกายสัมผัสใจนึกคิด ให้มันเกิดสัมผัสเฉยๆเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะผัสสะคือการกระทบกันแห้งๆแล้วก็เลิกกันไปอยากให้มันเลยไปถึงอธิวัจนะสัมผัสอธิวัจนะผัสสะตัวนี้ได้เรื่องหมายว่าตาเห็นรูปมันไม่หยุดจะเพียงเห็นมันเลยก็ไปถึงจิตมันมีสัมผัสสองชั้นเรียกว่าทวินแอคชั่นดับเบิลแอคชมันทํางานกันสองชั้น ตาได้กระทบแล้วมันไม่หยุดมันเลยก็ไปถึงใจใจกระทบซ้ำสองเป็นมโนวิญญาณธาบรับรู้ทางใจไม่พอทีนี้เกิดสุขเกิดทุกข์พอใจไม่พอใจเกิดอยากได้เกิดไม่อยากได้เกิดอยากอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายไปหมดถ้าอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะได้พักผ่อนเลยมันจะตกนรกจนตายนั่นแหละขอให้เข้าใจ เพราะนั้นรักษาให้ดีๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัภิจารังอบุโสรพยามามัตเตเมตสมิงเยวะพยามามัตเตกะเลวะเลสะสัญญัมหิสมณะเกโลกันจะสมุทัยมันจะโลกะนิโลทันจะโลกะนิโลทักามานีปิิปัทันติดูก่อน ทั้นผู้มีอายุดูก่อนท่านผู้เจริญเรากล่าวว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกค้นทางปฏิบัติเพื่อดับโลกทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกค้นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอยู่ในร่างกายอันมีความยาวประมาณหนึ่งวามีสัญญาลและใจนี้ชีวิตเป็นเป็นนี้เป็นที่เกิดขึ้นของโลกคือแดนรับรู้ระหว่างโลกกับจิต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 นิช่เป็นเพียงการกําจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วขอใจว่าความหมายของนิโรธมันมีความหมายลึกซึ้งมากเลยเราถ้าทำอย่างนี้เราจะรู้จักว่านิโรธจริงๆนิโรธจริงๆนั่นนนหมายความว่าไม่มีที่ตั้งของทุกทุกตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนน้ำอยู่บนใบบัวอยู่บนใบบอน ความตึงเครียดสั่นเสียวมันไม่มีไม่ว่าเราจะรวยไม่ว่าเราจะจนไม่ว่าจะหยุดตรงไหนจิตใจมันได้พักผรวิญญาณความรับรู้คอนซิสตนี่ตัวนี้มันได้พักผรอนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นศิลปะในการพักผรทางวิญญาณคือความเป็นผู้มีสติฝึกสติปัญญามีความรู้สึกอยู่ทางกายทาง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 ใจของวิญญาณที่เราร้อนกระวนกระวายอยากจะให้จิตสงบอยากจะให้กายสงบอยากจะให้วิญญาณความมั่นเือมั่นทั้งหลายสงบมีสติสัมปชัญญะดีๆถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มฝึกสมาธิฝึกสมาธะเพียงแต่กำนดลมหายใจทีเดียวลึกๆมันก็เกิดความวิเวกทางกายทางจิตจิตสงบกายสงบได้ ลองหลอล้อมสติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว focusing of the mind on the breathing in and out ม oh, hey, <c oughs> ีสติล้อมลงไปในลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้มันสับตายไปเ้ยยงทำอย่างนี้ให้มันละเอียดสมูทสมูทเขาละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันก็เกิดความสงบเวยว่าจิตวิเวกกายวิเวกาจิตมันสงบ มันไม่รักไม่ชังมันอิม่มมันเตะไม่กระวนกระวายไม่หโหยหิวอารมณ์ใดอีกซื่อเพียมอยู่อย่างนี้กายมันก็สงบได้กายมันก็ลืมเจ็บลืมปวดลืมรวดลืมเล่าอะไรไปหมดแต่ทีนี้ถ้าทําให้ปุพธิวิเวทมีสติหูขณะที่ตาเห็นรูปทุกขณะที่หูได้ยินเสียง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 จะรับรู้รับทราบทุกอย่างจากไม่ขี้เกียจปัญญางัประมาทเฉยยังไม่ประมาทปัญญาอย่าประมาทปัญญาอย่าประมาทความรู้คิดมาก็อย่าขี้เกียจรู้มันเป็นอย่างไรก็อย่าขี้เกียจรู้จักมันรู้จักชมหน้ามันทํายาตะปริญญากําหนดรู้กําหนดรู้กําหนดรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อรู้มากเกินมากเกนมันจะเกิดไปเรนะปิญญาโดยตัวของมันเอง การพินิจพิจารณาโยนิโซ่มนสิกการที่ละเอียดมันก็จะเกิดขึ้นก็จะเห็นสิ่งที่เป็นคุณเห็นสิ่งที่เป็น